เพราะฉะนั้นพระองค์เห็นรูปก็เป็นประมาณว่ารูปที่ทรงเห็นได้ฟังเสียงก็เป็นประมาณในเสียงที่ทรงได้ยิน ค, คือคือความจริงของสีมันคืออะไรพระองค์ก็รอบรู้ในสีอย่างนั้นคือไม่ใ ส, ส่สีใส่ไข่เติมแต่งให้สีทั้งหลายเหล่านั้นพระองค์รู้ว่าสีเหล่านั้นเป็นอย่างไรพระองค์ได้ยินเสียงเหล่าใดพระองค์ก็รอบรู้ในเสียงเหล่านั้น พระองค์รู้จักประมาณของเสียงเหล่านั้นว่าเสียงเหล่านั้นอะ่ะมันคืออะไรคือไม่ใส่ใจวันนี้เสียงดีเสียงไม่ดีเสียงเพราะไม่เพราะเสียงคนมีกุศลจิตอกุศลจิตแม้เชื่อมโยงเรื่องนี้ปะกับเรื่องโน้นปนกับเรื่อง น, อ น, น, องนี้มั่วไปหมดไม่เป็นอย่างนั้นปริมาณของรูปคืออะไรพระองค์ก็รอบรู้ในปริมาณของ รูปทั้งหลายอย่างเรียกว่าสีแม่สีหลักๆมีกี่สีแต่ละสีเนี่ยมาเชื่อมผสมปนเปนกันยังไงทําไมมันจึงออกมาเป็นสีนี้เหล่านี้ได้เนี่ยนะเรียกว่ารอบรู้หมดเสียงทั้งหลายคลีเสียงคลื่นเสียงทั้งหลายเนี่ยมันมีอยู่กี่กลุ่มมันกระทบกับสิ่งใดแล้วก็ให้เกิดคลีเสียงคลื่นเสียงในระบบเหล่านี้ปกติแล้วคนทั่วไปได้ยินเสียงเหล่านี้นนะอกุศลจิตเกิดเหลาใดเน rika, ี่ยฟองก็รอบรู้แล้ะฟ อ, องรอบรู้ในตัวเสียงเหล่านั้นทั้งมวล กลิ่นรสและโพธาภะทั้งหลายที่มารับกระทบถึงจมูกถึงลิ้นถึงกายเนี่ยนะอันะกลิ่นรสโพธาภะเหล่าใดที่ทําให้รับกระทบในสิ่งเหล่านั้นปกติสิ่งเหล่านั้นเมื่อกระทบเท่านี้แล้วจะให้กลิ่นเท่าใดถ้ากระทบเท่านี้แล้วจะให้รสเหล่าใดถ้ากระทบเท่านี้จะให้โพธารมณ์อย่างไรปัทวีโพธารมเตโชวายโยโพธารมณ์เหล่าใดที่รอบรู้พระองค์ก็รอบรู้ประมาณในอารมณ์ om, ทั้งปวงเหล่านั้น มันแม้กระทั่งเรื่องราวที่มาสัมผัสทางใจเนี่ยนะตัวความคิดเหล่าใดที่เกิดขึ้นตัวเรื่องราวทั้งหลายที่มากระทบกับใจตัวเรื่องนั้นเป็นอย่างไรก็รอบรู้ในอารมณ์ทั้งหลายเรื่องราวทั้งหลายเหล่านั้นอย่างบริบรณ์อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่ติดในอารมณ์ทั้งปวงเหล่านั้นก็เนื่องจากว่ารอบรู้ว่า คือปริมาณของสีเท่าที่มีอยู่ในโลกมีปริมาณกี่ประเภทกี่ชนิดพงศ์ก็รบรู้ว่าทั้งหมดที่สุดของสีงคืออะไรที่สุดทั้งหมดของเสียงคืออะไรที่สุดและทั้งหมดของกลิ่นของรสของสัมผัสทั้งหลายคืออะไรทั้งหมดของอารมณ์ที่ใจรับกระทบรับรู้ทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างไรพรนอง์จึงไม่ติดในเทวาไม่ใจเกาะเกี่ยวด้วยอกุศลธรรมทั้งหลายด้วยอากุศลจิตเนี่ยนะ ด้วยความโง่เขลาไร้ปัญญาในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นรสโพัพภะทั้งหลายที่รับทราบหรืออารมณ์ทั้งหลายที่ใจรู้แจง้งพรนธพระองค์จึงไม่เข้าถึงด้วยอำ น, นาจอภิชากับโทมนัสไม่อาศัยไม่อาศัยด้วยตันหาและทิฏฐิในอารมณ์ทั้งหลายไม่เกี่ยวข้องด้วยอภิชาและโทมนัสไม่เกี่ยวข้องด้วยตันหาและทิฏฐิ พร้นวิเศษกล่าวว่าพ้นด้วยวิเศษพ้นด้วยปัญญาที่รู้ยิ่งพ้นด้วยปัญญาที่กําหนดรอบรู้พ้นด้วยปัญญาที่ละสิ่งที่ควรละพ้นด้วยปัญญาที่ทําให้แจ้งในอารมณ์อันทําให้แจ้งมันพระองค์ได้เจริญพ้นเพราะเจริญในสิ่งที่ควรเจริญเพราะพระองค์รู้กล่าวว่ารู้วิธีการที่จะนําออกจากทุกขเพราะพระองค์เป็นผู้ที่ฉลาดในความเจริญฉลาดในความเสื่อมฉลาดในอุบายที่ทําให้พ้นจากทุกข เพราะฉะนั้นพระองค์จึงรู้โลกพระองค์จึงพรากออกจากโลกทั้งปวงมันเมื่อพระองค์เนี่ยนะเห็นรูปด้วยตาพระองค์จึงมีใจไม่มีเขตแดนเพราะนั้นเมื่อเห็นภาพด้วยตาพระอง์จะต่อด้วยรูปปัจจานหรืออรูปปัจจานก็ได้จะต่อด้วยสมถะหรือวิปัสสนาก็ได้จะก่อด้วยต่อด้วยโลกิยะสมาบัติหรือโลกุตรัสมาบัติก็ได้เนี่ยนะเมื่อฟังเสียงด้วยหูพระองค์จะต่อด้วย นะฟังเสียงด้วยหูรู้กลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นรับกระทบสัมผัสทั้งทางกายรับรู้เรื่องราวทางใจนี่นะพระองค์จะต่อด้วยพระรูปสมาบัติหรืออรูปสมาบัติต่อด้วยโลกิยะสมาบัติหรือโลกุตระสมาบัติในอารมณ์ทั้งหลายก็ได้มันใจของพระองค์จึงไม่มีเขตแดนไม่ได้ถูกกําหนดถูกล็อกว่าถูกเครียกว่าถูกอะไรนะเป็นพวกธาตุเนี่ยนะไม่ใช่คิดแบบแม่พวกธาตุบวก แต่พระองค์แบบประเภทเสรีชนเนี่ยนะเปรียบเหมือนเราเป็นประเภทเสรีชนไม่ไม่มีปริมาณในเรื่องของโลกของปัจจิตัญญาไม่ถูกอะไรบล็อกไว้เช่นอย่างคนทั่วไปคิดอะไรไม่ออกเพราะตัวนั่นคิดอะไรไม่ออกเพราะราคาเพราะโทสะเพราะโมหะมาเป็นตัวเกียรติการเพราะเรื่องราวที่เราถูกกดดันเป็นต้นพระองค์ไม่ถูกกดดันไม่ถูกกดดันโดยประการทั้งปวงเป็นผู้ที่เราไม่ความที่ไม่ถูกกดดันไม่ถูกแบบ อว่าไม่มีขอ บ, ขอบเขตหรือพรมแดนเนี่ยนะไม่มีขอบเขตพรมแดนที่เป็นตัวขวางตัวความคิดจินตนาการของพระพุทธเจ้าไปได้พันจึงไม่มีอะไรขวางศรัท ธ, ธาวิริยสติสมาธิปัญญาไม่มีอะไรขวางเลยเนี่ยนะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีใจที่ไม่มีเขตแดนเป็นใจที่ไม่มีประมาณในการรับรู้อารมณ์ในทวารทั้งหกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ทั้งหลายพันพระองค์เนี่ยมีตา พระองค์เห็นรูปด้วยตาพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าทำตาให้บอดพระองค์นี่มีตามีจักสุเห็นรูปด้วยจักสุแต่ไม่มีฉันทราคะในจักสุมีใจพ้นแล้วเนี่ยนะขออีกครั้งหนึ่งว่าพระองค์นี่มีตาตาของพระองค์ก็มองเห็นแต่ไม่มีฉันทราคะฉาบตาในภาพที่เห็นพระองค์มีใจพ้นด้วย ปัญญาที่กําหนดรอบรู้ปัญญาที่ละปัญญาที่ทําให้แจ้งปัญญาที่เจริญเนี่ยนะพระองค์เนี่ยมีหูได้ฟังเสียงแต่ไม่มีฉันราคะในเสียงใจของพระองค์เนี่ยพ้นวิเศษแล้วด้วยอนุภาพของปัญญาที่รู้ยิ่งที่กําหนดรอบรู้ที่ละที่เจริญที่ทําให้แจ้งในเสียงทุกประเภทเนี่ยนะพระองค์มีจมูกที่รู้กลิ่นพระองค์ก็สูดกลิ่นเหมือนกับคนทั้งหลาย แต่พระองค์ไม่มีฉันทะาคะาใจของพระองค์พ้นแล้วนะด้วยปริญญาปัญญาด้วยอภิญญาปัญญาด้วยปหานะปัญญาด้วยภาวนาปัญญาเนี่ยนะทั้งด้วยสมถะพละวิปัสนาพละพระองค์พ้นจากอารมณ์ทั้งปวงเหล่านั้นแล้วเพราะพระองค์จะรู้ รู้รสด้วยลิ้นเนี่ยนะพระองค์ก็มีลิ้นที่ชิมรสทั้งหลายทั้งที่รสของมนุษย์ทั้งที่เป็นรสของทิศเนี่ยนะแต่พระองค์ ก, ก็ไม่มีฉันทราคามีใจพ้นวิเศษแล้วจากรสทั้งปวงเนี่ยนะพระองค์เนี่ยมีกายมีร่างกายที่รับกระทบสัมผัสทั่วร่างกายเนี่ยรับกระทบสัมผัสกักบอารมณ์ทั้งหลายแต่พระองค์ ก, ก็ไม่มีฉันทราคะมีใจพ้นวิเศษแล้วเนี่ยนะเพ่มีใจที่ พ้นด้วยอํานาจของปัญญาพระองค์นี้มีจิตใจที่รับรู้เรื่องราวทั้งหลายรู้แจ้งธรรมรมด้วยเรื่องราวทั้งหลายเรื่องราวทั้งหลายที่เรียกว่าเรื่องของเรียกว่าโลกความเป็นไปของออนรกเปรตอสุรกายเดราชาความเป็นเป็นไปของหมู่มนุษย์เหล่าเผ่าต่างๆความเป็นไปของโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกทั้งอดีตอนาคตและ ปัจจุบันพระองค์รอบรู้สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดทั้งสิ่งที่เรียกว่าหน้าปราถนาไม่น่าปรารถนาแต่ใจของพระองค์พ้นจากสิ่งเหล่านั้นแล้วพ้นด้วยอนุภาพของปัญญาที่รู้ยิ่งพ้นด้วยอนุภาพของปัญญาที่ไปกําหนดรอบรู้พ้นด้วยอนุภาพของปัญญาที่ไปละไปทําให้แจ้งไปเจริญคุณธรรมที่นําออกจากทุกทั้งปวงแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ขม่มคุ้มครองรักษาอนะตัวที่ข่ม ตัวที่คุ้มครองตัวรีรักษาก็คือสติสัมปชัญญะวันพระองค์จึงสังวรตาในรูปที่น่ายินดีเนี่ยนะในรูปที่น่ายินดีพระองค์จึงเป็นผู้ที่มีสังวร อ, อ่ะนะในอันชอบใจในรูปยินดีในรูปพอใจในรูปคือพระองค์เนี่ยพ้นพ้นแล้วเนี่ยนะพ้นจากราคะโทสะโมหะพ้นจากฉันทราคะในรูปทั้งหลาย ขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมเพื่อการสังวรการคุ้มครองการป้องกันการรักษาพระองค์เป็นผู้ที่มีการสังวรในถวาวรหูเนี่ยนะด้วยอนุภาพของสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นตัวเชื่อมต่อต่อไปหาคุณธรรมทั้งปวงความที่บุคคลมีสติสัมปชัญญะนี่แหละจึงสามารถที่จะน้อมไปเจริญคุณธรรมเหล่าใดก็ได้พระองค์เป็นจึงมีคุณธรรมคือสติสัมปชัญญะ พันได้ยินเสียงความยินดีในเสียง <Gym. Napoleon> เป็นต้นเนี่ยพระองค์ก็เลยข่มคุ้มครองป้องกันสํารวมระวังรักษาขณะเดียวกันก็สอนผู้อื่นให้มีการปกป้องคุ้มครองป้องกันและรักษาเปรียบเหมือนศารยแพทย์ที่ฉลาดรู้ว่าแผลเหล่านี้นํามาซึ่งเชื้อเหล่าใดแล้วก็ต้องปิดด้วยการปิดการดูแลการป้องกันการคุ้มครองอย่างไรที่ไม่ก่อไม่ก่อให้ติดเชื้อให้ก่อให้เกิด พิดภัยทุกโทษพระองค์ก็โดยปกติพระองค์ก็สังบรปิดรักษาได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็ยังบอกยังสอนแนะนำให้คนอื่นข่มคุ้มครองรักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจนเนี่ยนะจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ฝึกอ บ, บรมเสร็จแล้วเนี่ยนะฝึกคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้สำเร็จแล้วพันจึงมีสติสัมปชัญญะทุกครั้งที่เห็นเหมือนกันนะสติสัมปชัญญะเนี่ยภัยบู์บริบูน ทุกวัอารมณ์ที่เห็นวัอารมณ์ที่ได้ยินแบบขนาดเล็กน้อยเนี่ยนะยังมีปัญญาวินิจฉัยเป็นเครื่องเรียกว่าสำรวจตรวจสอบสแกมเรียกว่าเช็คอย่างละเอียดเนี่ยนะด้วยอนุภาพของปัญญาเนี่ยฝึกจนเต็มที่ภัยบูรและบริบูรแล้วเนี่ยนะฝึกสติสัมปชัญญะในทุกทวารฝึกคุณธรรมเจริญคุณธรรมในโลกนี้เนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายที่ฝึกดีแล้วเนี่ยเป็นผู้ประเสรศิฐ สัตว์ทั้งหลายที่ฝึกเช่นแม้กระทั่ง โ, โคที่ฝึกดีแล้วก็เป็นโคประเสริฐช้างที่ฝึกดีแล้วก็เป็นช้างประเสริฐม้าที่ฝึกดีแล้วเนี่ยนะก็เป็นม้าประเสริฐทีนี้พวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะที่ฝึกดีแล้วก็เป็นสัตว์ที่มีคุณค่ามีราคาตลอดจนถึงเอาไปเหมาะกับยวดยานพาหานะเช่นม้าทั้งหลายเนี่ยนะชนทั้งหลายก็นำยานคือช้างยานคือมา้าเป็นต้นฝึกดีแล้วไปสู่ที่ประชุม แม้กระทั่งจะออกงานก็ต้องเอาคนที่เป็นที่ผ่านการฝึกมาแล้วเนี่ยนะทหารหน่วยรบเป็นต้นก็ต้องผ่านการฝึกทุกอย่างเนี่ยนะเพิ่ได้รับการฝึกฝนพัฒนาทักษะจนชํานาญก็สามารถที่จะเอาเข้าสู่ที่ประชุมเป็นต้นหรือบางทีเอายานอย่างดีเนี่ยอย่างพระราชาโบราณเนี่ยจะต้องทรงช้างทรงม้าเนี่ยนะเข้าสู่สาธารณชนเพราะยานคือช้างยานคือม้าที่พระองค์ประทับเนี่ยจะต้องเป็น สัตว์ที่ฝึกมาจนเชื่องที่เรียกว่าจูพายเรียกว่าระบบพระ อ, องค์ควบคุมได้เนี่ยนะควบคุมช้างม้าเป็นต้นเหล่านั้นโดยสารถีผู้ชํานาญการชั้นใดสัตว์ที่ฝึกดีแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้สัตว์ที่ประเสริฐในสัตว์ทั้งหลายในหมู่มนุษย์เหมือนกันบุคคลที่ฝึกแล้วด้วย ศีลสมปทาวิปัสนาฝึกแล้วด้วยคุณธรรมเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์เนี่ยนะแม้กระทั่งทหารที่ฉลาดที่เก่งที่สุดก็คือทหารที่ผ่านการฝึกนักเรียนที่ฉลาดก็คือนักเรียนที่ผ่านการฝึกเหล่าใดสิ่งเราใดที่ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดีเป็นผู้ประเสริฐพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์เพราะพระองค์เป็นผู้ที่ฝึกแล้วด้วยคุณธรรมเป็นเครื่องฝึกอย่าง ครบถ้วนคุณธรรมเป็นเครื่องฝึกคือสติสัมปชัญญะคุณธรรมเป็นเครื่องฝึกคือสมถะและวิปัสนาคุณธรรมคือเครื่องฝึกคือสติปานสัมมประทาอิทธิบาทอินทรพละพุทธชงองค์มัคฝึกด้วยอธิศีนอธิ จ, จิตและอธิปัญญาพระองค์จึงเป็นผู้ที่อดทนต่อคำทั้งปวงที่บุคคลล่วงเกินเนี่ยนะเรียกว่าอะไรนะ คือช้างที่ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะคงไม่ได้ไปเครียดกับแมลงวีที่บินผ่านหูมาใช่ไนี่ยนะคงไม่ได้เครียดกับพวกยุงที่มันมีสักตัวสองตัวเนี่ยนะช้างชั้นเลิศช้างชั้นประเสริฐเนี่ยนะคงไม่ได้เรียกว่าวันไหวหรือรถที่หุ้มเกราะมาเป็นอย่างดีคงไม่ได้หนักอ ก, ห น, กหนักใจกับมเมล็ดฝนที่ตกมาเม็ดเดียวเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นจึงสา ม, มารถที่จะอดทนได้ก็ได้ว่าภาษาไทยเราอดทนเสียงหอยปากหอยปากปูได้แบบ ง, งั้นเถอะอดทนแม้กระทั่งเสียงทุกอย่างได้เนี่ยก็คือไม่ได้เห็นว่าเสียงอันนั้นมันมีมีคุณค่ามีราคาน่ากําหนดหน่าจดน่าจำํำน่าเก็บมาคิดก็บอกว่าก็บอกว่าเป็นเสียงที่เสียงที่ไร้ค่านะเป็นเสียงที่ไม่มีคุณค่าไม่มี ไม่มีราคาอะไรที่จะเก็บมาคิดได้เพราะฉะนั้นเสียงเหล่านั้นก็เป็นแต่เสียงเพอ้อไปของคนยากว่างั้นนั้นเคยได้ยินเสียงของคนไข้ครางบ้างไหมฉันใดเสียงคนมีราคาครางก็ฉันนั้นเสียงของคนมีโทสะครางก็ฉันนั้นเสียงของคนที่ถูกโมหะทําให้ครวนครางทั้งหลายก็ฉันนั้นจึงสามารถอดทนในถ้อยคําเหล่านั้นไม่ถือคําเหล่านั้นว่าเป็นเป็นสิ่งที่มีสาระอะไรที่เราต้องเก็บมากําหนดจดจําเอาไว้ แม้เสียดายแค่เรียกว่าเปลืองอะไรนะเปลืองความคิดบา ง, งั้นโุเนี่ยแค่รับรู้นี่ก็ถือว่าเสียหายแล้วจําต้องเรียกว่าเก็บเอามาคิดคิดแล้วคิดอีกแล้วก่อให้เกิดอภิชาและโทมนัดผู้ที่ฝึกด้วยคุณธรรมทั้งหลายจึงไม่ไม่ได้เดือดร้อนในสีที่เห็นเรียกว่าสิ่งที่น่าประไม่น่าปราถนาวั้นถ้อยคําที่บุคคลทั้งหลายมาพูดถึงก็ไม่ได้เก็บเอามาหนักอกหนักใจอะไรเพราะอะไรเพราะใจเขามี ที่เก็บอยู่แล้วเก็บใจด้วยสมถะและวิปัสนาไม่เอาอารมณ์เนี่ยมาเก็บด้วยอำนาจของโทสะเป็นต้นเนี่ยมาโอ้ยเครียดเหลือเกินหนักใจเหลือเกินกับคำเห <c oughs> ล่านั้นเขาพูดทำไมพูดทาไมเอาก็พูดให้คุณเจ็บใจอะสิถ้าใจคุณเป็นแผลคุณก็เจ็บอยู่แล้วละเนี่ยนะถ้าใจไม่มีแผลเขาจะพูดอะไรก็พูดไปเนี่ยนะ ล้วต้องไปหนักใจกับเข า, เ พ, าเพราะเสียงครวนของคนที่มีโทสะกําเริบเสียงครวนของคนที่โมหะก็าเรียกว่าครางงิ้งๆเคยได้ยินเสียงคลางเหล่านี้เลยก็ถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็จะไปหนักอกหนักใจทำไมแบงนั้นนะ